278สังฆสามคีกระถาว่าด้วยสังฆสามคีสี่ร้ครั้งนั้นพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเหล่านั้นรับเธอผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมเข้าหมู่แล้วเข้าไปหาพวกภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมถึงที่อยู่กล่าวว่าท่านทั้งหลาย ความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสง์ความแบ่งแยกแห่งสง์การทําสง์ให้เป็นต่างๆกันได้มีแล้วเพราะเรื่องใดภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัตถูกลงอุกเขเปน็นนยกรรมแล้วเห็นอาบัติและสงรับเข้าหมู่แล้วเอาละพวกเรา จะทําสังค้าสามขี่เพื่อระงับเรื่องนั้นลำดับนั้นพวกภิกษุผู้ลงอุกเขปนิยกรรมเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณนะที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกภิกษุผู้ประพฤตตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างต่างกันได้มีแล้วเพราะเรื่องใดภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัตถูกลงอุกเขปนิยกรรมแล้วเห็นอาบัตและสงรับเข้าหมู่แล้วเอาละพวกเรา จะทำสังฆสามคัคคีเพื่อรงับเรื่องนั้นพวกข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัติถูกลงอุกเขปนยกรรมแล้วเห็นอาบัติและสงรับเข้าหมู่แล้วถ้าเช่นนั้นสง จะทำสังฆสามขีเพื่อระงับเรื่องนั้น